เรียนน้อยกว่าเราหรือว่าอาจจะเป็นคนทางไกลแม้เป็นคาราวาสนี้ก็สามารถจะเป็นครูให้กับเรานะซึ่งเป็นพระหรือนักบวชได้การที่เรามองเขาเป็นครูเนี่ยก็จะทำให้เราได้เรียนรู้นะจากผู้ป่วยมีอะไรให้เรียนรู้ได้เยอะเลยนะโดยเพราะนะ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 นั่นมันก็แสเห็นถนึงอนัตตาด้วยว่าร่างกายไม่ใช่ของเราที่เคยนั่งได้ก็เริ่มนั่งไม่ถนัดบางคนก็รู้สึกการเคยื่อนขยับแขนขยับขามันยากเหลือเกินยิ่งพิการหรือเอามาพึ่อมัมภาต์นี่ก็ยิ่งเห็นชัดเลยมือที่เคยื่อนได้ขยับไ ด, บได้มันไม่อยู่ในอำนาจของเราเสแล้ว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 นะถึงสิ่งที่พุทธเจ้าเรียกว่าอนาคตภัยนะอนาคตภัยก็คือเนี่ยความแกนะ่ความเจ็บป่วยหรือความตายด้วยนะเขามาสอนเขามาเตือนจะมองว่าเขาเป็นครูก็ได้หรือจะมองเ้าเป็นเทวทูต ก, ก็ได้เทวดาทูตเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเทวดาที่ สแสดงนี้มิเทลยเห็นนะอย่าไปคิดแบบนั้นเทวทูตเนี่ยก็คือคนธรรมดาสามัญ น, นี่แหละที่เจ็บป่วยที่แก่อยู่ที่ตายอย่างที่เจ้าชายทธรษฐาได้เห็นเมื่อได้ออกจากประสาทกับชนะก็ได้เห็นเทวทูตสามนคนแก่คนเจ็บคนตาย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 เคยเจอเทวทูตไหมก็จะตอบได้นะอันนี้ในพระเตบิดกมีนะมีคนชั่วเนี่ยตายแล้วนะไปเจอยมพบาลยมพบาลถามว่าเคยเจอ เ, อเทวทูตไหมไอ้ mm. ชายคนนี้ก็ทำหน้าง ง, งนะยมพบาลก็เลยเฉลยว่าเนี่ยคนแก่เยเคยเห็นไหมเห็นคนเจ็บคนป่วยเคยเห็นไหมเห็นคนชาราเนี่ยเคยเห็นไหมเห็นคนที่ติดคุกเพราะทําชั่วปิดศีล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 ก็ไปเรียนรู้จักเขาบางคนก็เพราะว่ายอมรับความจริงว่าคนเราก็ต้องแก่ต้องป่วยนะไม่มีใครที่ไม่เจ็บป่วยหลายคนก็รู้ตัวอย่างต้องตายนะแต่ว่าก็ยอมรับได้ว่าคนเราต้องตายเพราะว่าได้เตรียมใจได้หมั่นตืนต้นอยู่เสมอตั้งแต่ก่อนที่จะป่วยอย่างพวกเราเนี่ยนะมามาวัดนะถ้าเร า, เามาเปิดใจรับฟังนะเรื่อง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 เด็กคนนี่อ4ยิบี่จิตอาสารายุห้าสิบนะแต่ว่าได้เรียนรู้จากเด็กอายุสิบสี่แต่คนไข้าบางคนั้ก็ทุรนทุรายนะเพราะทำใจไม่ได้บางทีก็ตีโพยตีภายเพราะว่าทำไมอุตส่าห์ทำบุญนะอุตส่าห์เป็นเจ้าภาพทอดกระถินทอดผ้าป่าทาบุญกุศลใส่บาตรเป็นประจำทำไมต้องมาเป็นแบบนี้นะ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 น, นี่น่ากินนะทำไมพงศ์มไม่สอนนะเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องความพัดพรา้านะเพราะว่าพง์ฉลาดพอที่รู้ว่าสภาพจิตอย่างนางเนี่ยยังสอนไม่ได้แต่พอผู้ว่าให้ไปหาไม่ผักกาศจี่บ้านที่ไม่มีคนตายนางก็ดีใจก็ไปหาไม่ประกาศจากคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ก็บอกมีไม่ประกาศแต่ว่าพอถามมีคนตายไหมก็ได้คําตอบว่ามีคนตายทั้งนั้น พ่อตายแม่ตายลูกตายผูกก็ตายเมียตายเชิญละน้อยเชิละน้อยเธอก็เริ่มเห็นความจริงนะว่าความตายมันเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวความพัดพลากเกิดขึ้นกับทุกคนเราไม่ได้สูญเสียคนเดียวคนหนึ่งก็สูญเสียเหมือนกันก็ยอมรับได้ยอมรับความตายของลูกได้เอาศพลูกไปเผาที่ป่าช้า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 นะคิดว่าหลายคนในที่นี้เนี่ยคงจะเพอ้อพูดประโยคนี้มาเยอะดีเดียวเพราะไม่รู้จะพูดอะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายตั้งที่คนไข้นี่เขาโคม่าแล้วคนไข้ไม่ชอบเพราะอะไเพราะมันไม่เป็นความจริงมันไม่ใช่คําพูดที่ออกมาจากใจแล้นเป็นคําพูดที่เขาได้ยินมาทุกจากปากของแทบทุกคนเช่นเดียวคําว่าสู้สูเนี่ยครๆมาเยี่ยมกับสู้สู้นะเข้มแข็งนะทําใจนะ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 จิตอส า, าก็จะไม่สอนจิตอส า, าก็จะฟังคนไข้เขาก็ได้ระบายบางทีก็ระบายเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องผัวเรื่องพ่อแม่แค่ระบายเขาก็สบายใจแล้วให้ความสบายใจนี่ใบางทีมันมันดีกว่ายาที่หมอให้ซะอีกการไปเยี่ยมคนไข้ในฐานะที่เป็นนักเรียนไป ไปไปฟังทมจากเขาหรือไปเรียนรู้ธรรมมาจากเขาถือว่าเขาเป็นครูนะอย่างที่หนึ่งหรือสองถือว่าเขาเป็นเพื่อนนะไปนะพยายามเข้าใจความรู้สึก ข, ของเขาไปให้กำลังใจเขาฟังเขาก่อนนะอย่าพึ่งสอนอย่าพิ่งเทศนะอันนี้นะเป็นสิ่งที่ช่วยคนไข้ได้เยอะและมันก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยอคำนี้ก็เพ่เท่นี้นะกรบาบครบ